ชายวัยสี่สิบเศษครานเข้ามาหาท่านพระครูตามด้วยเด็กหนุ่มอายุประมาณยี่สิบคนทั้งสองกราบท่านพระครูแล้วคนอาวุโสกว่าก็พูดขึ้นว่าไม่ได้มาหาหลวงพี่เสนานลหลวงพี่สบายดีหรือครับก็เองเห็นข้าสบายหรือเปล่าหลัก ท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามชายคนนี้เป็นลูกผู้น้องของท่านเคยวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กส่วนเด็กหนุ่มที่มาด้วยก็มีศักเป็นหลานท่านแม้หลวงลุงก็พ่อเขาถามดีๆหลวงลุงกลับเล่นลิ้นหลานชายต่อว่าพรางค้อนปลับประเลือกนี่เอ็นอย่ามาทํากริยาอย่างนี้ใส่ข้านาะเจ้าขุนทองเอ็นไม่ใช่ผู้หญิงนะท่านพระครูว่าเมื่อเห็นท่าทางกระตุ้งกระติ้งของอีกฝ่าย จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็ไม่เกี่ยวกับลุงลุงหรอกนาเจ้าขุนทองพูดลอยหน้าลอยตาทำท่าค้อนควักท่านพระครูนึกสงสัยก็จึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้ทราบว่าหลานชายของท่านมีจิตใจเป็นผู้หญิงไปเสแล้วไม่น่าเลยตอนเกิดท่านก็เห็นมันเป็นผู้ชายแท้ๆไปๆมาๆไหนเป็นผู้หญิงไปเสได้ โตเอ้ยอนิจจังทุกขังอนัตตาพระบูเหวกำลังคุยกับพระอุปชาอยู่ดีๆเมื่อมีผู้อื่นเข้ามาขัดคอเช่นนี้ก็เกิดปฏิกะอย่างอ่อนๆขึ้นครั้นฉุกคิดได้ว่าบุรุษทั้งสองคงจะเป็นญาติกับท่านพระครูจึงพยายามข่มความหงดเิดขัดเคืองนั้นไว้พูดเอาบุญเอาคุณว่ายอมโชคดีนะที่มาพบหลวงพ่อ ความจริงวันนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพเหรอครับแล้วทำไมยังไม่ไปล่ะครับนายขำถามก็ทางโน้นกขาโทรเลขด่วนมาขอเลื่อนอัตมาก็เลยปล่อยโชคดีไปด้วยเพราะหมูนี้หาเวลาคุยกับท่านยากยิ่งวันพระด้วยแล้วหมดสิทธิ์เลยเพราะแขกเหลือมากันแน่นกุติโอ้โหเดี๋ยวนี้หลวงพี่ขายดีถึงขนาดนี้เชียวล่ะครับคนที่มีศักดิ์เป็นน้องชายว่า เองลองมาเป็นข้ามั่งแล้วจะรู้ว่าแต่ว่าที่มาเนี่ยมีอะไรจะให้ข้าช่วยละ่ะท่านถามเพราะหากไม่ต้องการความช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็จะไม่มาให้ท่านเห็นหน้าไ่ขุนทองจ้องหน้าท่านพระครูและถามว่าลุงลุงใส่แว่นตามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไม่ถามเปล่าแต่ยังแถมด้วยฮะเป็นคำลงท้ายตอนแรกก็พยายามจะปิดลุงลุง เพราะกลัวจะถูกว่าเมื่อท่านไม่ว่าเขาจะพูดอย่างที่เคยพูดสิบปีเข้านี่แล้วเอ็งถามทำไมเปล่าหรอกฮะก็ลงุงลุงดูแปลกไปคือใสแว่นแล้วหลอกขึ้นนะฮะหลอกกว่าไม่ใส่ว่าแต่ว่าสั้นหรือยาวฮะถามแล้วก็หัวละคิดๆอยู่คนเดียวอะไรของเอ็งละ่ะอะไรสั้นอะไรยาว พูดให้มันฟังง่ายๆหน่อยไม่ได้รึแม้หลวงลุงเนี่ยหนูหมายถึงสายตานะฮะสั้นหรือยาวที่หลวงลุงต้องใส่แว่นเพราะสายตาสั้นหรือสายตายาวฮะคนพูดบิดตัวไปมาด้วยท่าทีเอียงอายท่านพระครูรู้สึกขัดลูกในตากับท่าทางที่มีจริตจก้านของหลานชายหากก็รู้ว่าที่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎแห่งกรรม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 สงสารมันนี่เผลอเดี๋ยวเดียวเองอายุยี่สิบเอ็ดแล้วหรือคุณทองข้ายังเห็นเองวิ่งเล่นอยู่ไม่กี่วันนี้เองจะเกณฑ์ทหารแล้วหรือนี่ใช่สิฮะเดี๋ยวนี้หนูเป็นสาวแล้วนะฮะหลวงลุงในขุนทองว่าเป็นหนุ่มว้ยเจ้าขุนทองเองเป็นผู้ชายนะคนเป็นพ่อรีบกล่าวแก้ร่วมใจอยู่เหมือนกันที่เลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นลูกสาวเออน่ะ มันอยากจะเป็นลูกสาวก็ช่างมันท่านพระครูปรามในขำแล้วก็หันมาปรามในขุนทองว่าแต่เองก็ให้มันเป็น น, น้อยหน่อยเจ้าขุนทองอย่าให้มันมากเกินไปอา้าวก็ไหนเองว่าเองเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงต้องถูกเกณฑ์ทหารละ่ะแม่ขุนทองคิดหาคำตอบประเดี๋ยวหนึ่งก็จึงพูดว่านั่นสิฮะเขาว่าเขาเอาตามสมโนครัว ลุงลุงช่วยหนูด้วยนะฮะคือหนูถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารคงถูกพวกมันลงแขกทั้งกองทัพหนุ่มน้อยปริวิตกฟังพูดเขานะ่ยังแกเองสวยนักหนิลุงลุงค้อนก็สวยกว่าลุงลุงก็แล้วกันขุนทองเถียงเอาเธอเอาเอข้ายกให้ท่านพระครูยอมแพ้ไน่ขำทำหน้าเหนื่อยนายปรับทุกข์กับท่านต่อหน้าลูกชายว่า ไม่รู้เวียนกรรมอะไรของผมนะหลวงพี่มีลูกก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาผมทำกรรมอะไรไว้ครับหลวงพี่ช่วยดูให้หน่อยเถอะเองจะเดือดร้อนไปทำไมละ่ะํำเอ้ยก็ตัวเจ้าขุนทองเองมันยังไม่เดือดร้อนนี่นาะใช่ไหมขุนทองท่านถามหลานชายที่กลายเป็นหลานสาวนั่นสิฮะจะกรุ่มไปใหญ่ละคุณพ่อแม่ขุนทองล้อเลียนบิดา แล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามท่านเจ้าของกุฏิว่าหลุงลุงฮะหนูทํากรรมอะไรไว้ฮะถึงได้เกิดเป็นกระเทยใจจริงนะหนูอยากจะเกิดเป็นผู้หญิงทําไมมันถึงไม่ได้อย่างที่อยากละฮะเองอยากรู้จริงๆรึร อ, อยากฮะอยากให้พ่อแกรู้ด้วยจะได้เลือกมนุษย์เสตีเอาละ่ะเมื่ออยากจะรู้ก็จะบอกบัวเหวียวเธอฟังนะ ฟังแล้วก็จําเอาไว้ด้วยวันหน้าวันหลังหากมีใครก็ถามจะได้บอกเขาได้ครับหลวงพ่อผมกําลังตั้งใจฟังอยู่ครับแม้วันหน้าวันหลังจะไม่มีใครมาถามผมก็จะฟังแล้วก็จะจําใส่สมองเอาไว้นิมนต์หลวงพ่อพูดต่อเถอะครับพูดพร้อมกับประนมมือนิมนต์แม้หลวงพี่พูดถูกอกถูกใจขุนทองจริงๆริงขุนทองทําเสียงกริดกราด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 ยังพอแก้ไขได้เหรอครับหลวงพี่นายขำถามขึ้นก็พอมีทางอยู่แต่สงสัยเจ้าขุนทองคงทำไม่ได้หลุงลุงจะให้หนูทำอะไรฮะคนมีกรรมเก่าถามให้เองมาเข้ากรรมฐานนะสิได้ยินดังนั้นนายขุนทองก็ร้องเสียงหลงว่าตายตะเถนหกคเมนตีลังกาลุงลุงจะให้อีขุนทองมาเข้ากรรมฐานนั่นไงแค่นี้ก็โวยวาย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 แต่มันไม่เชื่อขยั้นขยอให้ผมพามาหาหลวงพี่เขาแนะว่ายังไงละ่ะในขุนทองขยิบหูขยิบตาใส่บิดาเป็นเชิงไม่ให้บอกหากได้ขำไม่ฟังเสียงบอกท่านไปว่าเขาแนะนําให้เอามดตนอยมาต่อยลูกอันทะรับหลวงพี่พอมันบวมจะได้บอกเขาว่าเป็นไส้เลื่อนท่านพระครูกับพระโบเฮียวรู้สึกขำหากในขุนทองทําท่ากระพัดกระเฟียด ในคำพูดต่อไปอีกว่าเจ้าขุนทองมันไม่ยอมทําตามก็เลยต้องมากวรหลวงพี่คนเล่าจบท่านพระครูจึงตัดสินว่าดีแล้วไม่ทําตามน่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มขึ้นอีกเรื่องอะไรจะไปหลอกลวงเขาอย่างนั้นนี่ก็มีตัวอย่างมาแล้วคนที่หน้าวัดนี่เองทําแบบเดียวกับที่เอ็งว่ามานี่แหละแต่ขอโทษเถอะ อยู่มาไม่นานก็เกิดเป็นไส้เลื่อนจริงๆเพราะกรรมที่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นหลอกใครไม่หลอกไปหลอกลวงนี่กรรมก็เลยตามทันหลอกลวงนี่บาปนะักบาปกว่าหลอกราดนะและเป็นยังไงครับหลวงพี่ในคำถามอีกก็จะยังไงก็ต้องเขาโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ยังไม่หายนอกจากไม่หายแล้วก็ยังกลายเป็นมะเร็งซะอีก เป็นตรงไหนฮะหลงลุงเป็นตรงไหนไม่ขุนทองถามอย่างสนใจพร้อมกันนั้นก็ทําท่าเอียงอายไปด้วยกอดตรงนั้นแหละอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตายเห็นเข้าว่าเน่าเลยไอ้ตรงที่เคยเอาโมตนอยต่อยน่ะเน่าเฟะเลยนี่ญาติเขาก็เอามาเผาที่วัดนี้ดีแล้วขุนทองที่เองไม่ยอมทําตามอย่างเขามาอย่างนั้นก็อาจจะเน่าเหมือนกันว่ายหลงลุงอย่าพูดเสีย้ยวเสียว ในขนทองส่งเสียงวีดวายพรางยกมือทั้งสองขึ้นปิดหูตกลงหลวงพี่ช่วยมันด้วยนะครับในคำสรุปก็ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรฮะหลวงลุ ง, ลงไงไงก็อย่าให้หนูมาเข้ากรรมฐานก็แล้วกันได้ไหมฮะเออก็ได้แต่เองก็ต้องมาอยู่กับข้าเทกุตินี้จะได้ช่วยรับแขกหาน้าหา่าให้เข้าดื่มท่านยื่นข้อเสนอ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 เดี๋ยวก็ได้ไปกันใหญ่ให้มันอยู่กับผมอย่างเก่าดีกว่ายังไงยังไงก็ยังอยู่ในสายตามั่งม่คำพูดอย่างวิตกไม่ต้องห่วงหลอกขำเอ้ยเชื่อข้าเธอข้าคิดว่าพอจะช่วยมันได้คงไม่เหลือบากว่าแรงข้าหรอกนาถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าอยู่กับเองข้อนี้ข้ารับรองนั่นก็ตามใจหลวงพี่ก็แล้วกันบางทีมันอาจจะดีขึ้นอย่างที่หลวงพี่ว่าก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโชคของมันแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของมันในคมพูดอย่างปรุงอนิจจังดีแล้วเอ็งคิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้ไม่เป็นทุกข์ คิดว่าใครๆก็ต้องมีกรรมได้กันทั้งนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพื่อมารับผลของกรรมผลนั้นจะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทําเอาไว้เป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วหมายความว่าคนที่กรรมทำดีต้องเกิดอีกทํากรรมชั่วก็ต้องเกิดอีกอย่างนั้นหรอครับหลวงพี่นายขาถามถูกแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วครับ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 นั่งสมาธิและกําหนดเอเริยาบทตลอดเวลานั่นก็คือปฏิบัติอริยมรตมีองค์8ดนั่นเองเพราะการปฏิบัติดังกล่าวคลุมองค์มรคครบทั้ง8ข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่มีครบทั้งศีลสมาธิปัญญาเลยทีเดียว แห่หลวงพี่ยิ่งพูดก็ยิ่งงงเห็นจะต้องลากลับเสีทีในคำพูดขึ้นเพราะไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้กลับกันเธอขุนทองไปเอาเสื้อผ้าก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาชายวัยสี่สิบเศษบอกลูกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ข้าจะให้สมชายไป ร, รับเจ้าขุนทองก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาทํางานเองท่านพระครูเอื้อเฟือขอบคุณหลวงพี่มากครับในไงผมก็ฝากลูกด้วย นึกว่าเวทนามันที่เกิดมาไม่ค่อยเต็มบาทเต็มเต็งเหมือนคนอื่นเขาสองพ่อลูกกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วก็หันไปกราบพระบุเเยียวต้องขอโทษหลวงพี่ด้วยนะครับที่มาขัดคอผมฝากเจ้าขุนทองมันด้วยไม่ขำกล่าวคำ ข, ขอโทษพระบุเเยียวแล้วก็เลยถือโอกาสฝากฝังลูกไม่ต้องห่วงหรอกโยมอาตมาจะช่วยดูแลให้พระบุญเฮียวตอบรู้สึกประทับใจในความรัก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 นคุณทองก็คลานเข้ามากราบและพูดขึ้นว่าหนูลืมขอบคุณหลงลุงนะฮะก็เลยต้องกลับมาขอบคุณก่อนหนูต้องขอขอบพระคุณหลงลุงเป็นอย่างสูงที่กรุณนาช่วยเหลือหนูขอให้หลงลุงอายุยืนยืนนะฮะพูดจบก็ก้มลงกราบอีกสามครั้งแล้วก็คลานออกไปท่านพระครูพูดตามหลังว่าเออขอบใจที่อวยพรข้าก็ว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละ เองนี่มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยสงสัยเลือดลมจะไม่ค่อยดีคนกําลังครานออกไปหันกลับมาสนองว่านั่นสิฮะหมู่นี้รอบเดือนของหนูมันก็ไม่ค่อยจะตรงตามกําหนดน้อยๆหน่อยเจ้าขุนทองมันอย่างนี้นะสิพ่อแม่เองก็ตั้งกลุ่มอกกลุ่มใจนักหนานี่ข้ากําลังจะกลุ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะช่วยไม่ได้ลุงลุงชวนหนูมาอยู่เอง ก็ต้องรับการไปตามหน้าที่จริงไหมฮะท่านพระครูไม่ตอบแต่เมื่อหลานชายพ้นสายตาไปแล้วก็จึงพูดขึ้นว่าสงสัยจะกูไม่กลับเยกระมั่งหรือเธอว่ายังไงบวยเหียวผมคงไม่ว่ายังไงหรอกครับที่ไม่ว่าเพราะไม่รู้จะว่ายังไงหรือว่าหลวงพ่อจะให้ผมว่ายังไงก็กรุณาบอกมาเถะครับไม่ต้องเกรงใจพอแล้วบวยเหียวพอ คืนพูดต่อมากกว่านี้ฉันคงเวียนหัวแย่เอาละมีข้อข้องใจสงสัยอะไรก็ว่ามา ผมข้องใจสงสัยมันมีหลายอย่างนะครับหลวงพ่อพระโบเหยวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดงั้นก็ว่าไปทีละอย่างเมื่อกว่าวันนี้เป็นวันของเธอก็แล้วกันจะได้ไมีเอาไปเที่ยวพูดว่าฉันไม่มีเวลาให้โทรหลวงพ่อครับตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ผมยังไม่เคยเที่ยวเลยสักครั้งแล้วจะเอาหลวงพ่อไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงพระหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งแน่ใจนะ ท่านพระครูคาดกันแน่ใจครับแน่ใจร้อยเปอร์เซนตแล้วมอเตอร ก, กี้ใครว่าฉันให้เจ้าขำฟังล่ะว่าฉันไม่มีเวลาให้เธอพอจะรู้บ้างไหมว่าใครว่าก็พอรู้เหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้เอาไปเที่ยวว่าเนี่ครับเขานั่งว่าอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมนั่งเนี่ยพูดพร้อมกับชี้นิ้วลงที่พื้นการได้ยั่วพระอุปชา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 ทำให้ท่านมีความสุขแม้ว่าฝ่ายนั้นจะยังไม่รู้ว่าชาติหนึ่งตนได้เคยเกิดเป็นน้องชายของท่านถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องไปฝึกปาเป้าใหม่หรือไม่ก็เพิ่มมากออเป็นสี่ตะกร้าถ้าอย่างปาไม่ถูกอีกก็เพิ่มเป็นห้าหรือหกเจ็ดหรือแปดตะกร้ามันจะต้องถูกสักลูกหนึ่งจนได้ละครับพระนมแนะนาเอาละเอาละมวเยื่นเยอะอยู่นั่นแหละ จะถามอะไรก็ถามฉันเป็นคนไม่ชอบหายใจทิ้งครับผมเองก็ชอบหายใจเป็นการเป็นงานงั้นผมขอเรียนถามข้อข้องใจเลยนะครับท่านพระครูพยักหน้าเป็นเชิองอนุญาตพระบุยเยวกำลังจะเอ่ยปากถามก็พอดีกับบุรุษผู้หนึ่งครานเข้ามาพระหนุ่มมีอันต้องถูกขัดคออีกจนได้เท่าแก่เสงกราบท่านพระครูสามครั้งกลาวพระบุเยเยลสามครั้ง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 ผมไม่ได้เล่าให้คุณกินง้อฟังครับกลัวเขาจะหาว่าเลวไหลส่วนลูกดุนสุดาเขาไม่ได้ไปหาผมเขาอยู่ที่บ้านเขาครับแปลว่าโยมเท่าแก่ได้เห็นหนอใช่ไหมใช่ไหมครับหลวงพ่อพระบวยเยียวถามอย่างตื่นเต้นถูกแล้วบวยเยวเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเย็นแต่ประการใดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของมนุษย์ผู้มีความเพียรไปได้จริงไหม รครับอาตมาขออนุโมทนานะโยมเท่าแก่มีวิริยะอุตสาหะดีเหลือเกินท่านพระครูเอ่ยปากชมอาตมาก็ขออนุโมทนาด้วยพระบุญเหียวพูดรู้สึกดีใจและเสียใจรคนกันดีใจเพราะลูกศิษย์มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติแต่ที่เสียใจก็เพราะเกิดความรู้สึกว่าตนยังหย่อนยังย่อยหย่อนในการทําความเพียร จึงยังไม่บรรลุผลที่มุ่งหมายท่านอยากได้เห็นหนอมานานแต่ก็ยังไม่ได้เท่าแก่เสยงปฏิบัติทีหลังแต่กลับได้ก่อนท่าน อุปชารู้ความคิดของคนเป็นสิทธ์ก็จึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องเสียอกเสียใจไปล็อกบัวเ ย, ยวเอ้ยของอย่างนี้ไม่ใช่จะได้กันง่ายๆหรอกนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติชาตินี้แล้วจะได้ในชาตินี้เรื่องของอภิญญานั้นคนที่จะได้ต้องเคยสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนๆและอีิประการหนึง่งการที่เธอยังไม่ได้เพราะเธออยากได้จงจาไว้ว่า ถ้าอยากแล้วจะไม่ได้ต้องไม่อยากจึงจะได้ความหมายว่าอย่างไรครับผมชักงงๆซะแล้วก็หมายความว่าที่เธ อ, อยังไม่ได้เห็นเนอะเพราะเธอไปอยากได้มันนะสิเธอจะต้องทำเฉยๆอย่าไปยุ่งมันจนเกินไปแล้วเธอก็จะได้เองท่านพระครูแนะนำแปลว่าผมต้องฝืนใจใช่ไหมครับคือทำเป็นไม่อยากได้แบบนี้ก็โกหกตัวเองใิครับ เธอก็ต้องทำใจไม่ให้อยากได้จริงๆสิไม่อย่างนั้นก็เป็นการโกหกตัวเองอย่างที่เธอว่านั่นแหละและถามท่าแกเส็งว่าเวลาโยมปฏิบัติรามโยมหวังว่าจะได้เห็นหนอไหมตั้งใจไว้เลยไม่ว่าจะต้องให้ได้ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยครับผมรู้แต่ว่าทางที่ผมกำลังดำเนินอยู่นี้เป็นทางสายเอกที่จะนาไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง ถ้าผมตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะเข้าถึงความดับทุกข์ได้แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนอดีตและอนาคตผมจะพยายามไม่คิดถึงเท่าแก่เสียงตอบอย่างคนที่เข้าถึงธรรมโดยแท้พระบัวเหี่ยวฟังแล้วรู้สึกละอายใจเพราะตัวท่านปฏิบัติธรรมชนิดที่มีโลภะความอยากได้เห็นหนอก็คือตัวโลภะนั่นเองหลวงพ่อครับ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 บุตรชนคนธรรมดาก็สามารถมีได้หากได้ฌานสี่และสมาธิกล้าแข็งพอแต่อภิญญาข้อสุดท้ายที่มีชื่อว่าอาสวัคยญาณ น, นั้นเป็นโลกุตระอภิญญาพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะมีได้และเมื่อได้แล้วก็จะไม่เสื่อมส่วนโลกิยะอภิญยานั้นเสื่อมได้ถ้าฌานเสื่อม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 เป็นพระโสดาบันนั้นเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามอย่างคือสักยาทิฏฐิวิจิจิจราและศีลปตะปรามาตไม่เกี่ยวข้องกับอภินยาแต่ประการใดท่านพระครูอัฏถาทิบายแต่หลวงพ่อครับเมื่อกี้หลวงพ่อว่าพระปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าคารวาดแบบนี้ก็แปลว่าคารวะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลอย่างนั้นสิครับอย่างที่หลวงพ่อว่า บางคนได้ถึงยานสิบสามแต่ก็ติดอยู่แค่นั้นไม่เสมอไปหรอกบัวเหียวที่ฉันยกตัวอย่างให้เธอฟังเมื่อกี้นั้นหมายความเฉพาะคนที่เขาเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดคือขณะที่อยู่ในวัดอาจจะได้ถึงยานสิบสามแต่พอกลับไปบ้านเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อเขาก็ไม่สามารถจะก้าวไปถึงยานสิบสี่หรือยานสิบหกได้ แต่คนที่กลับไปแล้วยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นโยมเท่าแก่เป็นต้นแบบนี้ก็อาจบรรลุถึงญาณสิบหกเป็นพระโสดาบันได้ผู้ที่เป็นคราวดมีโอกาสที่จะบรรลุได้ถึงระดับอนาคาไม่ผลนั่นเทียวไม่ถึงอรหัสตัลพลหรอครับทำไมไม่ถึงล่ะครับถ้าถึงก็ต้องบวชในวันนั้นถ้าไม่บวชก็ต้องตายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับ บุตรสูงวัยถามอย่างสงสยัยพระบูเหวกำลังจะถามแบบเดียวกันนี้เพราะภาวะความเป็นอยู่ของครวาตไม่สามารถรองรับภาวะของพระอรหันต์ได้ในสมัยพุทธกาลเคยมีปรากฏที่คารวาตบรรลุอรหัตผลแล้วไม่บวชเพราะท่านมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งตาบอดเมื่อท่านบรรลุก็ถูกวัวบ้าขิดถึงแก่ความตายในวันนั้น ได้ยินคำว่าวัวพระบโวเหียวก็ขนลุกสู้โดยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอาจเป็นด้วยจิตใต้สำนึกของท่านมีความเกี่ยวพันกับวัวควายนั่นเองแบบนี้วัวตัวนั้นก็บาปแย่เลยนะครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงถามบาปแน่นอนเพราะเป็นครุกกรรมข้ออรหันต์ะาตไม่น่าเลยนะครับท่านเป็นถึงพระอรหันต์ก็ไม่น่ามาเสียชีวิตเพราะถูกวัวบ้าขิด บุรุษสูงวัยรู้สึกปรงสังเวชจะเป็นอะไรก็ตามไม่มีใครหนีกรรมพ้นพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ให้ภิกษุฟังว่าเป็นเพราะพระอรหันต์รูปนี้ท่านเคยสร้างกรรมไว้กับวัวจึงต้องมาชดใช้ฟังถ้อยคำของพระอุปชาพระหนุ่มก็เสียว่าบเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจจึงเสธถามเท่าแก่เสงว่า เวลานั่งสมาธิโยมเท่าแก่เคยง่วงไหมง่วงมากๆจนแม้จะลุกขึ้นเดินก็ยังง่วงนะ่ะเคยเป็นไหมเคยครับแต่นานมาแล้วดูเหมือนจะตอนที่ปฏิบัติเดือนแรกๆน่น้นนะครับบุรุษสูงวัยตอบและโยมทำยังไงผมก็พยายามอยู่ในที่แจ้งบ้างรับประทานอาหารให้น้อยลงบ้างนอนบ้างแล้วหายง่วงไหม ไม่หายครับมันก็ยิ่งง่วงหนักขึ้นไปอีกง่วงแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดผมก็พยายามเอาชนะมันด้วยการกําหนดสติอยู่ตลอดเวลาง่วงก็กําหนดว่าง่วงหนอพอนอนไม่หลับก็กําหนดว่านอนไม่หลับหนอเมื่อรู้สึกเบื่อก็กําหนดว่าเบื่อหน่ายเนอเรียกว่าผมไม่ยอมให้เผลอสติแหละครับเป็นอยู่อย่างนี้สักสามวันสี่วันก็หาย พอหายผมก็รู้สึกสบาย อ, อกสบายใจมากก็เกิดปิติว่าผมเอาชนะมารได้แล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะเร่งทําความเพียรต่อไปเพราะอายุผมมากแล้วจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้หากมัวเห็นแก่กินแกนอนก็จะทําให้ชีวิตเป็นหมันเสียชาติเกิดผมคิดอย่างนี้แหละครับและโยมสงสัยบ้างไหมว่าอาการเช่นนั้นมันเกิดจากอะไร อาการที่ง่วงมากๆและเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะท่านเจ้าของกุติถามมิใช่ท่านไม่รู้คำตอบเพราะว่าต้องการให้บุรุษสูงอายุได้สอนพระนมทางอ้อมผมคิดว่ามันไม่ใช่ความง่วงธรรมดาธรรมดา คงจะต้องเป็นปรากฏของสภาวธรรมอะไรสักอย่างหนึง่งผมแน่ใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นครับถูกแล้วนั่นแหละเป็นอาการของนิพิทายานและที่โยมปฏิบัติตามที่เล่ามานั้นก็ถูกต้องแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามีความเด็ดเดี่ยวและใจสู้มันก็ไม่ยากเกินไปนี่อาตมาหมายถึงทำระดับสูงนะท่านใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบ ก็ได้รู้ว่าบุรุษตรงหน้าได้ถึงญาณสิบสามแล้วและคงจะบรรลุญาณสิบหในไม่ชานี้ท่านไม่พูดว่าอะไรออกมาด้วยไม่ต้องการให้คนที่เพิ่งไดญาณแปดเกิดความน้อยเนื้อต่าใจอีกเมื่อพูดถึงเรื่องง่วงท่านพระครูก็นึกถึงอดีตสมัยที่ท่านอายุสิบสองสิบสาจึงเล่าให้พระบวยเยวและเท่าแก่เสงฟัง เป็นการคลายความเครียดว่าอาตมามีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังเรื่องง่วงนีนแหละสมัยที่อาตมาอายุสิ1 3อิาอตมาอยู่กับยายพอตีสี่ยายก็ปลุกแล้วก็ปลุกให้หุงข้าวใส่บาตรวิธีปลุกของยายยอดเยี่ยมมากโยมจะลองเอาไปใช้กับลูกหลานก็ได้ท่านบอกเท่าแก่สิงทำยังไรครับถามอย่างสนใจก็ไม่ทำอะไรมาก ตอนแรกก็เข้าไปเขย่าตัวแล้วก็บอกไอ้หนูไอ้หนูลุกหุงข้าวใส่บาตได้แล้วอาตมากำลังง่วงก็ตอบอืมอืมรู้แล้วขอนอนต่ออีกนิดเดียวยายก็ขึ้นเหยียบเลยบอกจะลุกไม่ลุกอาตมากำลังอยากนอนก็เลยบอกยายว่าแม้ดีจังเลยยายผมกำลังปวดเมื่อยอยู่พอดียายมาช่วยเหยียบให้ทุกวันเลยนะแล้วท่านว่ายังไงครับ รับบวเหี่ยวถามแกก็บอกงั้นยายจะเอาไม่เร็วมาช่วยนวดให้หน้าหลานนะเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นแล้วหลุงพ่อทําไงครับทำยังไงละ่ะฉันก็ต้องรีบลุกขึ้นมาหุงข้าวน่ะสิทีนี้ข้าวสมัยนั้นนะ่ะมันใช่มอดินหุงแล้วก็เตาฟืนฉันก็ก่อไฟความง่วงก็เลยจับดุนฟืน นั่งหลับอยู่หน้าเตาไฟนั่นแหละยายมาเห็นเข้าก็ตกเขาสองจานนี่ตกที่หน้านี่ตบข้างซ้ายทีข้างขวาทีท่านทําท่าประกอบแล้วเป็นไงบ้างครับพระบุญเฮียวถามอย่างนึกสนุกท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยว่าก็ค่อยยังชั่วขึ้นมานหน่อยนึงคุณยายก็หลวงพ่อคงดุมากนะครับเท่าแก่เสงถามดุหรือไม่ดุ อาตมาก็ถูกตีไม่เว้นแต่ละวันเชละ่ะบางวันก็ถูกตีสามครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นน่าจะแถมก่อนนอนอีกรอบนะครับเพราะว่าเวลาหมอให้ยาเขาจะให้กินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนพระบุญเฮียวว่าไปโนนบางวันก็ได้แถมก่อนนอนด้วยท่านเจ้าของกุฏิจารภาพ นั้นแสดงว่าหลวงพ่อก็คงไม่เบาเหมือนกันนะครับพระบุยเหี่ยวว่าเอเจะว่าหนักก็ไม่จชิงนะเพราะตอนนั้นฉันผอมพระอุปชาตั้งใจยั่วลูกศิษย์แม้หลวงพ่อก็รู้ว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือผมต้องการที่จะพูดว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ตีทุกวันวันละสามสี่ครั้งน่ะคงจะไม่เบาทีเดียวคือจะต้องเกเรจนขึ้นชื่อ อะไรทำนองเนี้ยเกเรไม่เกเรคนเขาก็เรียกฉันว่าไอ้มหาโจรกันทั้งบ้านนั่นแหละและหลวงพ่อเกลียดคุณยายไหมครับถูกคุณยายตีทุกวันแล้วรู้สึกเกลียดคุณยายไหมคนเป็นคารวะถามตอนนั้นเกลียดแต่ตอนนี้รักเพราะทาไม่ได้แม่เรียวยายอาตมาก็ไม่ได้มาเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้อาตมารู้สึกทราบซึ้ง ในบุญคุณของยายมากเงียบกันไปครู่หนึ่งท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาหนีไปเที่ยวดูหนังโกหกยายว่าจะไปเติวกับเพื่อนเพราะจวนสอบไล่ที่แท้ไปดูหนังกับเพื่อนกลับจะดึกพอยายมาปลุกก็บอกยายว่าวันนี้ขอวันหนึ่งเถอะเพราะเติ๋วกับเพื่อนเหนื่อยมากขอนอนตื่นสายสักวันยายก็บอกว่าไอ้หนู เองจะนอนยายก็ไม่ว่าลอกแต่ก่อนนอนต้องลุกหุงข้าวใส่บาทก่อนแล้วก็กินข้าวกินปลาที่ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมานอนนี่เห็นไหมนโยบายของยายอาตมานี่เยี่ยมจริงๆอาตมาก็เลยสลึมสลือ ล, ลุกขึ้นไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวไฟมันไม่ติดสักทีก่อไฟอยู่ตั้งนานก็กลัวข้าวจะไม่ทันพระเลยใส่ฟืนใหญ่กระทุฟืนเข้าไปในเตา แล้วก็จะเป็นเพราะความง่วงหรือเพราะมือหนักก็ไม่ทราบกระทุงเส้หมอ้อข้าวแตกเลยแล้วยายของหลวงพ่อว่าไงครับพระบุญเฮียวถามรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องที่ท่านเล่าก็ไม่ว่ายังไง่ายลอกแต่ตีซิ้อานไปเลยคราวนั้นเล่นเอาหลังลายไปหลายวันแม้ชีวิตหลวงพ่อ น, นี่โลดผนดีจังนะครับพระหนุ่มว่าใช่ก็ทําให้มีชีวิตชีวาดีเหมือนกัน ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันนึกขำอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องละเมอใครละเมอครับหลวงพ่อหรือว่ายายเท่าแก่เสงามอามาคือก่อนนอนมันกังวลว่าน้าแห้งโอ่งพรุ่งนี้จะต้องตื่นตักน้ำแต่เช้าพอหลับไปก็เลยละเมอในชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังตอนเช้าเขาบอกว่าเห็นอาตมาตักน้าตั้งแต่ตีสี่ ตักขึ้นบ้านอาตมาก็แปลกใจว่าคนละเมอทำไมถึงหากระแต่งไปสะได้แถมขึ้นบันไดบ้านถูกด้วยเขาว่าอาตมาตักเอาตักเอาเขาพูดด้วยก็ไม่พูดก็คนละเมอจะรู้เรื่องอยังไงจริงไหมท่านถามพระบัวเหี่ยวจริงครับแล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาบอกเขาตะโกนถามว่าไอ้หนู นึกยังไงลุกขึ้นมาตักน้ำตั้งแต่ตีสี่ฉันก็ไม่พูดกับเขาตักน้ำเสร็จก็กลับไปนอนจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วไม่ลุกหุงข้าวหรอครับไม่ลุกเพราะยายไม่ปลุกยายไม่อยู่ไปช่วยงานบ้านเหนือพอตื่นเช้ามาก็ตกใจโอ้โหน้ำเต็มโอ่งหมดทั้งสิบโอ่แถมโอ่งข้าวสารก็มีน้ำเต็มข้าวสารลอยเป็นแพรเลย หลงพ่อเลยถูกยายตีอ่านไปเลยพระบุญเยวเดาคราวนี้ท่านพระครูตอบอย่างผู้มีชัยว่าโน no ่คราวนี้ฉันรอดตัวเพราะว่าพ่อยายกลับมาจากบ้านเหนือก็ถามว่าไอ้หนูใครแช่ข้าวให้ยายฉันก็ตอบว่าผมละเมอตักน้าใส่องค์เข้าสารกลัวยายตีก็กลัวแต่ยายกลับตอบว่าเออดีบ้านเหนือกาลังจะทาขนมจีน งั้นเองก็รีบไปให้เขาทําแป้งน้ําเจนเร็วๆเข้าเสียงรักกางเพลงดังขึง้นพระโบเฮียวกราพระอุปชาสามครั้ง และลูกเดินไปยังหอฉันท่านพระครูบอกเท่าแก่เสงว่าไปเชิญพระประธานอาหารก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อสมชายไปรีบหลวงพ่อครับการแผ่เมตตาเราจะแผ่ให้คนเป็นเป็นได้ไหมครับพระบวุวเฮียวถามท่านพระครูคนเป็นเป็นของเธอหนะเป็นยังไงคนถูกถามแกล้งทาเป็นไม่เข้าใจเพราะไม่คิดว่าลูกศิษย์จะถามอะไรเฉยๆแบบนี้ คนเป็นเป็นก็คือคนที่ไม่ตายแล้วคนที่ตายก็คือคนที่ไม่เป็นนะครับเมื่ออาจารย์แกล้งมาลูกศิษย์ก็แกล้งไปบ้างเธอตอบเกินคำถามแล้วนะบบวเฮียวฉันให้เธออธิบายเพราะคนเป็นเป็นเธอก็อธิบายคนตายตายมาให้ด้วยทั้งที่ฉันไม่ได้ถามผมทราบนีครับว่าหลวงพ่อจะต้องถามต่ออีกเลยตอบๆเสียให้รู้แล้วรู้รอดไป แปลว่าเธอได้เห็นหนอแล้วใช่หมหขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านยัวอีผมยังไม่เก่งกาดขนาดนั้นหรอกครับหลวงพ่อหมายถึงตอนนี้นะครับแต่ต่อไปไม่แน่คนพูดทำเขืองนี่ขนาดยังไม่เก่งก็ยังเก่งถึงปานนี้แล้วถ้าเก่งจะเก่งถึงปานไหนอาจารย์เอ๋ยชมชมเผื่อไปถึงอนาคตด้วย ผมเพียงแค่เดาใจหลวงพ่อได้ถูกต้องเท่านั้นเองครับก็ถูกแกล้งซะจนชินก็เลยรู้ทางหนีทีไล่คนเป็นสิทธว่าเออนี่เธอหาว่าฉันรังแกเธองั้นสิหาว่าฉันเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กนั้นใช่ไ้มผมไม่ได้หาว่านะครับก็หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ชอบใส่ร้ายป้ายสีไม่เชื่อถามผมดูก็ได้ หลวงพ่อรังแกผมทุกครั้งที่ได้โอกาสอํานวยบางครั้งโอกาสไม่อํานวยหลวงพ่อก็ยังรังแกเลยพระบูญเฮียวถือโอกาสแก้แค้นด้วยการตอบว่าก็ทําให้รังแกเธอแล้วจะไปรังแกใครละ่ะนั่นไงหลวงพ่อสารภาพแล้วโจท์พูดอย่างเป็นต่อสารภาพแล้วก็แปลว่าได้รับการลดโทษครึ่งหนึ่งใช่ไหมคงใช่มังครับ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 ท่านเคร่งเครียดกับธุระของคนอื่นมามากแล้วพระบัวเหี่ยวนี่แหละที่ช่วยให้ใคลายเครียดได้งั้นเอาจริงก็แล้วกันนะครับผมมันคนจริงอ่ล่ะครับที่นี่หลวงพ่อตอบคำถามผมด้วยเถอะครับที่ผมถามว่าเราจะแผเ่เมตตาให้คนเป็นๆจะได้หรือไม่พระนมต้องทนคำถามมิฉะนั้นท่านพระครูก็ต้องย้อนว่าเธอถามว่ายังไงละ่ะ เมื่อลูกสิทธามจริงจังอาจารย์จึงตอบจริงจังว่าได้สิบูเฮียวทำไมจะไม่ได้ละ่ะถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาไปให้โยมแม่กับผัวเขาลุงพ่อว่าเขาจะได้รับไหมครับท่านพระครูมองหน้าลูกสิทธ์พลางประเมินผลในใจแบตเตอรี่ลูกนี้ชาร์จไฟไวเต็มแล้วมอก็ไม่รั่ว จึงพร้อมที่จะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกเมื่อเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงตอบว่าได้อย่างแน่นอนเธอปฏิบัติได้ถึงขั้นแล้วแม้จะยังไม่ได้เห็นหนอแต่ก็สามารถแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นได้พระบัวเฮียวดีใจจะลืมกำหนดดีใจหนอพระอุปชาจึงกล่าวเตือนว่าบัวเฮียวทำไมไม่กำหนดดีใจหนอพระหนุ่มปฏิบัติตาม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 ท่านพระครูยังอยากยั่วต่อหลวงพ่อว่าแกได้รับหรือเปล่าครับคนถูกยั่วไม่ตอบหากถามเป็นงานเป็นการท่านต้องการให้พระอุปชาใช้เห็นหนอตรวจสอบให้ได้รับซีท่านพระครูเผลอตกลุมพลางจนได้ที่จริงพระบวัวเหี่ยวไม่ได้ตั้งใจจะต้อนพระอุปชาแต่เมื่อมีโอกาสเป็นของท่านแล้ว จะละเลยเสียก็ดูกระไรอยู่อีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจแล้วจึงขอเวลานอกอยัวอาจารย์เล่นแก้เสงอ้าวก็ไหนหลวงพ่อบอกว่าทิ้งไปก็ไม่ได้รับต้องส่งไปถึงจะได้แล้วทำไมโยมแม่ผมได้รับละครับในเมื่อผมทิ้งไปเออน่ะฉันช่วยให้เขาได้รับเองแหละ ท่านพระครูถือโอกาสพูดแบบอบุญเอาคุณคนเป็นศิษย์จึงกลับมาพูดเป็นงานเป็นการอีกว่าหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้เวลาสองทุ่งผมจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้โยมแม่กับผัวเขาผมจะนั่งไปจนถึงสองโมงเช้าเลยนะครับเธอนั่งได้นานขนาดนั้นหรือตั้งสิบสองชั่วโมงเจนะผมทำได้ครับหลวงพ่อ ผมเคยนั่งมาแล้วดีจริงชั้นอนุโมทนาด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอนั่งหลับนะพระอุปชาอ ย, ย่างสงสัยไม่หลับครับหลวงพ่อผมมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่นั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ว่ายุบเจ็บปวดตรงไหนก็กำหนดผายลมกี่ครั้งก็กำหนดทุกครั้ง ลูกศิษย์สั ท, ทยายซ่ยืดยาวอาจารย์กำลังจะบอกให้หยุดก็พอดีคนเป็นศิษย์หยุดเซ่เองก่อนที่หลังไม่ต้องอธิบายละเอียดอย่างนี้ก็ได้ฉันรู้แล้วว่าเธอปฏิบัติได้จริงเร่งทำความเพียรข้าจะได้ใช้หนี่นีเวรนีกรรมให้หมดหมดไปเสียได้ยินว่าจะต้องใช้หนีกรรมพระบูยเ ย, ยวถึงกับขนลุกจึงกาหนดขนลุกหนอ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 วันนี้วันโกนขึ้นเจ็ดข้ามพรุ่งนี้วันพระแปดข้ามนั่งวันโกนต่อวันพระเลยนะครับเธอคิดจะนั่งตอนไหนล่ะท่านถามอีกท่านที่ลูกศิษย์บอกไปครั้งหนึ่งแล้วสองทุ่มตรงครับสองทุ่มคืนนี้ถึงสองโมงเช้าพรุ่งนี้พระบยยุญเยวตอบครับนึกได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระจะต้องไปลงอุโบสถตอนตีสี่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 ไม่อยู่แล้วเป็นชาวนอร์เวย์มาบวชที่วัดนี้และก็แต่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากจนสามารถแผ่ส่วนกุศลไปให้พ่อแม่กับปู่เขาที่นอร์เวย์ได้เอาเถอะถ้าเธออยากรู้เรื่องว่าหลังจะเล่าให้ฟังถ้าอย่างนั้นการที่ข้าบอดีและครอบครัวช่วยกันแผ่เมตตาไปให้ลูกชายคนโตที่อเมริกาก็ได้รับสิครับ พูดถึงข้าบดีท่านพระครูก็นึกได้จึงวานเห็นหนอตรวจสอบและก็รู้เรื่องเดี๋ยวนั้นจึงตอบได้สิและตอนนี้เขาก็เข้าสุสานไปแล้วข้าบดีกับภรรยาเดินทางไป ร, รับศพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแบบนี้ก็ไม่ได้สิครับแผ่เมตตาไปทําให้เขาตายถ้าไม่แพ่เขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้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 จะเข้าใจเหมือนที่ผมกับหลวงพ่อเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเข้าใจคนที่เขาปฏิบัติจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติฉันก็บอกเขาเป็นไนไนแล้วอีกประการหนึ่งการตายของลูกจะช่วยชีวิตพ่อเอาไว้ข้าบดีเขาตั้งใจจะเลิกค้ายยาเสพติดเธอก็รู้ของอย่างนี้ ใครลงได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคิดถอนตัวก็เป็นต้องตายทุกรายเป็นอะไรตายครับไข้โป้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยร้ายแรงขนาดนั้นเชียวหรอครับเจ้าไข้โป้งที่ว่าเนี่ยแล้วมียารักษาไหมครับพระหนุ่มถามซื่อบัวเหียวครับนี่เธอไม่เข้าใจจริงๆรู้ว่าแกล้งไม่เข้าใจกันแน่เธอไม่รู้จริงๆนะหรือว่าไข้โป้งนั้นหมายถึงอะไร ไม่ทราบจริงๆครับมันหมายถึงอะไรล่ะครับจ้างฉันก็ไม่บอกเธอพระอุปชาถือโอกาสเล่นตัวแล้วถ้าไม่จ้างหลวงพ่อจะบอกไหมครับผมไม่มีเงินจ้างเธอจะรู้ไปทาไมละ่ะก็เผื่อหลวงพ่อเป็นผมจะได้บอกหมอถูกไนครับไม่ต้องหลอกรับรองว่าฉันไม่ตายด้วยไข้โป้งอย่างแน่นอน รับรองว่าไม่ใช่อาจารย์ตอบเสียงหนักแน่น